ที่พระเจ้าทรงสแสดงแต่ถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยเป็นหลักได้ก็คือมีแค่2อนะอันแรกก็คือจริยธรรมจริยธรรมก็คือธรรมะเกี่ยวกับความดีคําสอนเกี่ยวกับความดีอันที่สองคือศัจธรรมคําสอนเกี่ยวกับความจริงหรือพูดให้สั้นกั้นก็คือความดีกับความจริงธรรมะนี่มี หลักๆ ก, ก็มีแค่สองน ะ, นะที่เราที่ครูบาอาจารย์สอนหรือว่าที่พระเจ้าทรงสแสดงเกิดทั้งหมดก็นี้ไม่พ้น2ประเด็นนี้2เรื่องนี้คือความดีกับความจริงความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะส่วนความจริงเป็นสิ่งที่เราต้องเห็นนะความดีก็เช่นอะไรบ้างก็เช่นนะการ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 ก็คือการไม่พูดเท็จไม่ใส่ร้า ย, ายไม่พูดส่เสียดไม่พูดถ้อยคำที่หยาบคายทำดีนี่อะไรก็คือก็ศีนั่นศีนั่นเองนะาทำดีเป็นสิ่งที่ต้องทำนะถ้าปรารถนาความสุขอย่างที่พูดไปตั้งแต่วันแรกนะว่าบุคคลเนี่ยเมื่อรักตนเนี่ยย่อมไม่เบียบเบียนผู้อื่น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 ขับรถชนสาไฟฟ้าตกคูรถนะพลิกควาำตายความทุกข์ความเดือดร้อนใจนี่มันจะลดลงไปได้เยอะเลยนะเพียงแค่เราถือศีลข้อ5ข้อเดียวยิ่งถ้าเราถือศีลอีก4ข้อที่เหลือนี่อย่างมั่นคงเนี่ยมันก็จะช่วยนะป้องกันความเดือดร้อนไม่ให้มาถึงตัว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 ที่ดีงามหรือถ้าพูดง่ายๆคือทำดีควาว่าทำดีนี่มันครอบคลุมว่านอกจากจะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วนะก็ยังช่วยเหลือ เ, ออเือฟื้อเกือเก้อกูลผู้อื่นด้วยนะทำร้าะนี่เรียกว่าครึ่งหนึ่งเลยก็ได้นะเป็นเรื่องของการทำความดีแลาทำความดีนะั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะกายวาจาแต่ลมหายใจด้วย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 เวลาของหายอันทีแรกก็จะเสียใจแต่ว่าพอเกิดขึ้นบ่อยๆและเรารู้จักใจตรองเราก็จะได้เรียนทรรมเข้าใจความจริงจากสิ่งนั้นเมื่อปี54สีก็มีหลายมีเกิดเหตุการณ์สุภัยนะสุรุภภัยเกิดขึ้นพวกเราก็รู้ดีหลายคนก็ได้รับผลกระทบคนจำนวนไม่น้อยก็สูญเสียทรัพย์สินไปที่ถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวก็มาก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 นะมันก็หายไปทําไมถูกอุทกภัยซัดพาไปก็ จ, จะมีคนเอาไปหรือว่ามันก็เสื่อมสลายตามธรรมชาติของมันเองแต่ถึงยังไงนะถึงแม้จะรักษามันได้ในสุดมันก็ต้องไปจากเราหรือไม่เราก็ต้องไปจากมันเช่นพอถึงวันที่เราตายทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราเชื่อเป็นของเรามันก็ไม่ใช่ของเราแล้วมันกลายเป็นของอื่นของคนอื่น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 เมายามากจนกระทั่งครอบครัวก็แตกแยกลูกก็ต้องไปอยู่กับเมีย <evet. S 1> เขาไม่ได้ย้อนเราลึกถึงพฤติกรรมในผลหลังเนี่ยอันนี้จะเรียกว่ารกรรมเก่าก็ได้นะไอ้กรรมที่ทำในอดีตเนี่ยเมื่อสิปีที่แล้วย0ิปีที่แล้วก็คือเป็นกรรมเก่าเขาพิจารณาดูเออเขาก็ยอมรับได้ในที่สุดว่านะไอ้มะเร็งนี่มัน เขาเรียกว่าเขาสมควรแล้วเพราะว่าประพฤติตัวไม่ดีแต่ว่าเหตุผลสาคัญที่ทำให้เขายอมรับกับโลกนี้ได้นะไม่ทุรนทุรายก็เพราะเขาเล่าว่าวังวะทุกทุกวันเนี่ยเขาจะกิจวัตรหนึ่งที่เขาทำเป็นประจาคือการดูโทรทัศน์ไม่มีอะไรทำเนี่ยนอกจากวาดรูปแล้วก็ดูโทรทัศน์ และช่องที่เขาดูไปประจำคือ CNN CNN นี่มันก็โดยล่แต่เป็นมีข่าวคราวเกี่ยวกับภัยพิบัติโกระรบาดน้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวนะสงครามเขาดูไปดูไปเขาก็ได้คิดเลยนะว่าเออความทุกข์เนี่ยมันเป็นธรรมดาโลกจริงๆมันทุกๆคนเนี่ย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 เขาก็เลยทำใจได้ก็เลยไม่ตีโพยตีพ ย, ยอมรับความจริงได้ในการที่เขาอยอมรับความจริงได้มันช่วยลดความทุกข์ใจไปได้เยอะเลยเหลือแต่ความทุกข์กายแล้วความทุกข์กายนี่ก็เป็นสิ่งที่พอทนไหวถ้าใจไม่โวนวายตีโพยตีพายซะก่อนเขาก็บอกนี่ไม่ได้คาดหวังอะไรก็หวังแต่เพียงว่าทำทำตัวพยายามอยู่ให้ได้นานขึ้นเพื่อได้มีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นในการที่เขารักษาใจ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 ชอบกับชังเนี่ยนี่เป็นธรรมดาโลกที่เราต้องตรหนักต้องเข้าใจเราถึงจะไม่เสียผู้เสียคนหรือว่าไปหมดไม่หมดเนื้อหมดตัวไปกับไอความพันปนแบบนี้บอกตัวเองว่าเป็นธรรมดาเข้าชมเรามันก็เป็นธรรมดาเข้าตำหนิเราก็ธรรมดามีคุณยายคนหนึ่งนะสอนหลานให้ให้หุงข้าว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 กับภาพพร้อมกัน